ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปปุตติยานกำลังนำเสนอพระพุทธธรรมรัตธที่สัตว์กับท่านปัญจวัคคีว่าถ้าหากว่าท่านได้ตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติไปตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณนั้นยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ คือหมายความว่าจบการประพฤติธปฏิบัติลักษณะละชั่วประพฤติทีนี้ก็มาแวดขยายที่ตัวพรหมจรรย์เพราะสมพรหมจรรย์นั้นที่จริงเป็นวิถีชีพเป็นวิถีสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสังคมพุทธไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิสูจสามเณรอะไรก็ตามนะที่จริงเราก็ปฏิบัติพรหมจรรย์กันอยู่ แล้วถ้ามองก็ด้วยความมีน้ำใจจริงๆนะมองก็ด้วยใจกว้างหน่อยเปิดใจให้กว้างหน่อยคนดีทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าอยู่ในาศาสนาไหนก็ตามการปฏิว่าตัวของท่านก็อยู่ในกรอบของคําว่าพรอาจรรย์เพราะประเด็นที่เราไม่ควรลืมคือพระรอาจรรย์ น, นั้นเป็นการแสดงไม่ใช่เป็นการบัญญัติขึ้นเป็นการแสดงก็แสดงกฎของธรรมชาติกฎของการอยู่ร่วมกันกฎของพัฒนาการชีวิตในด้านต่างๆซึ่ง เขาจะเรียกยังไงก็ได้แต่สรุปประความชั่วมันลดลงความดีมันเพิ่มขึ้นนะแต่โดยเนื้อหาสาระเราก็เพิ่มความดีเองเพราะว่าความดีนั่นเองจะทําหน้าที่ขระจายความส่วนประมารย์ข้อแรกแต่กล่าวไว้ก็คือฐานที่จําแนกออกไปเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆหรือการสงเคราะห์การอนุเคราะห์แล้วก็การบูชาประการต่อไปเรื่องธรรมดาใหญ่ คือกยวิทยาวัจจุหม่ยเป็นเรื่องของบุญยักษ์กายวัตถุเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนต่อคนอื่นนะฮะของเราต่อคนอื่นอะไรก็ได้นะช่วยเหลือขวนขวายมีข้อแม้ว่าในกิจการงานที่ชอบเช่นสมมติเราเดินไปไปเจอเศษแก้วทิ้งอยู่ริมถนนเราก็กลัวว่า อาจจะบาดเอาใครโดยเฉพาะเวลาพระเดินบินดาบเนี่ยไม่ได้สวมรองเท้าเราก็หยิบไปใส่ทังขยะมันก็เป็นเบียา์ว่จะไม่ละเป็นบุญเพราะในความมีนําใจแบบเนี้ยที่จริงสังคมปัจจุบันเนี่ยเราขาดแคลนเดียคือมันไปลอกเลียนความคิดแบบฝรั่งมามากเกินไปในความคิดแบบลงแขกสมัยโบราณเนี่ยเป็นความคิดที่ดีมากๆคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไปรอรัด ตลอดอะไรก็รัดอะไรก็รัดเดี๋ยวภาษีไม่ค่อยเสียกันอย่างนี้รัดก็ไปไม่รอดหรอกรัดไม่จะเทวดานี่นะรัก็คือคนมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอยู่เหมือนกันแล้วในความมีน้ำใจตรงนี้วยเยวลายาวจะไม่ช่วเหลือขวนขวายกันในกิจติเหมาะที่ควร น, นะแม้แต่เราขึ้นรถเนี่ยอย่าพะมียนที่ยึดถือประพฤติปฏิบัตินี่ให้เกียรติแก่ภิกษุสามนเณรเกศเด็ก แก่คนชราแก่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงมีคันกับผู้หญิงไม่มีคันก็ให้เกียรติแก่ผู้หญิงที่มีคันลุกที่นั่งให้อันนี้ยที่จริงเราก็ทําบุญได้ริมถนนนทางต่างๆเนี่ยทำบุญกันได้มันแสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจนะ่ะก็มีน้ําใจของมนุษย์ความีน้ําใจรักมนุษยชาติรักสังคมรักบ้านเมือง อย่างขยะอะไรแต่ออไรบางทีเนี่ยคือเคยสังเกตที่ร้องทุกอะไรต่างๆทั้งสื่อทั้งหายเนี่ยบางทีถนนมันก็หลุมเป็นบอ่อมันไม่ใช่บ้างไม้ไก่กองอะไรนักหนานะคือถ้าคนที่อยู่หน้าบ้านเนะี่ยถนนมันอยู่หน้าบ้านใครอะ่ะคนนั้นเสียสละเงินตั้งหน่อยได้ไหมไปซื้อหินมาลักรดถขึ้งรถเนี่ยมาถม แล้วอะไรกระแทกกระแทกไปก่อนนะมันก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีน้ําใจกันเฉยๆแล้วก็เรียกร้องขอร้องกันจนว่าเมือก็ช่วยตัวเองไม่ได้บ้านเมืองของเรานะี่บ้านของเราเคยตั้งข้อสังเกตเคยเคยพูดกับหน่วยงานราชการแมงตาคือบางครั้งมากราเรารู้สึกมันเป็นยังไงนะคนเราเนี่ เช่นว่าคลองรังสิตเนี่ยลองดูแอ่คลองรังสิตบ้านมันล้าเข้ามาเกือบครึ่งคลองน้ำก็เดินไม่สะดวกและมีน้ำยังเอาเรือไปตั้งเป็นที่ขายด้วยคลองก็ตื้นเขินไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เสร็จแล้วพอน้ำท่วมพอน้ำหลากมาก็ท่วมเพราะว่ากาศเก็บน้ำไว้ไม่ได้บางทีแห้งก็ปล่อยปักตบชวาให้เต็มคลองไปเลย ทั้งหมดเนี่ยมันมีคนรับผิดชอบมันมีสักกี่หน่วยงานตรงนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มอะไรล่ะกรมการปกครองมีกลุมชิดดินมีกลุมชนประทานมีกลุ่มเจ้าท่าแล้วก็มีข้าราชการในหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบในที่ดินตรงนั้นเนี่ยเราลองขีดดูนะฮะที่ดินเนืองตารางวาเนี่ยถ้าถามดูว่ามีคนรับผิดชอบอยู่กี่คนไม่มีเยอะฮะในบ้านในเมืองเนี่ย โดยเฉพาะอย่างจริงคือลำล ำ, ลำคลองสาธารณะแม่น้ําลำคลองคูคลองอะไ ร, ะะไรต่างๆเนียเป็นสมบัติของส่วนรวมถ้าสังคมได้ช่วยกันบำเพ็ญกุศลสาธารณะในลักษณะเนี้แสดงดความมีน้ำใจแล้วก็ชอบไปเกณฑ์ทหารตำรวจโดยเฉพาะทหารเนี่ยจะโดนเกณฑ์บ่อยทหารก็คือคนไทยอะ่ะก็เข้ามารับราชการทหาร แล้วคนอื่นช่วยด้วยไม่ได้เลยแต่บ้านทั้งหลายนี่ช่วยกันเพราะแนวบุญเนี่ยถ้าเราไปเทียบเคียงกับคำกรนในสมัยโบราณที่ท่นานใช้คำว่าทรัพย์นี้ม่ไกลใครปัญญาไหวหาได้บอดนานโรกแฟฟนแดนดินมีสิ้นทุกสถานพอใดใจกลานบ่ผ่านพบนาน เราย้ายคำคำเนี้มาใช้คําว่าบุญนี่จะชัดเจนว่าบุญเนี่ยมีทุกคนทุกแห่งมันมีอยู่ได้ทุกขณะจิตมันอยู่ที่คิดอย่างไงพูดอย่างไงทำอย่างไงอ่ะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นของความคิดคือถ้าเราคิดชอบแล้วเนี่ยอะไรต่อะไรมันก็ติดตามมาเป็นแถวเลยวัยวัดจะใหม่แปลว่าบุญที่สมเด็จโดยการช่วยเหลือควรผายในกิจาการงานที่ชอบ ถึคนท่าคนแก่คนตาบอดคนขอานทขอานที่ขอทานจริงๆกันนะก็ควรขวายช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะพวกคนตาบอดคนแก่เด็วข้ามถนนก็ช่วยเหลือเขาปัญหาเป็นนันมากเนี่ยที่เป็นเรื่องง่ายๆในต่ะกถาท่านเล่าเรื่องประวัติพระนางสันธมิตรตาเดนมเหสีของพระเจ้าอสุ เป็นคนที่มีนิ้วงามมากสวยเหมือนลำเทียนไม่มีเป็นรูปของข้ออะไรให้เห็นจะถามว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้คือเพระอวิยาว่าชรไมคคือเป็นคนมีฐานะยากจนเป็นนางทัด ส, สีแต่ว่าบ้านของเจ้านายเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเศรษฐีซึ่งเปิดโรงทานพวกยาจกวันนี้พกคนขอทานะอะไรต่างๆเนี่ย ปรารถนาที่จะไปบ้านเศรษฐีสกนั้นเธอก็มายืนชี้บอกทางให้ด้วยนิสงของการชี้บอกคนทางให้เนี่ยทําให้นิ้วเกิดสวยงามมันเป็นสํานวนกรรมเนี่ยเขเรียกว่ากรรมมาเชิดรูปคือกรรมเนี่ยไปสร้างรูปที่ปรนีขึ้นมาเพราะเธอมีอัธยาศัยประนีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามเพราะว่าโดยพื้นอัจฉริยะใส่แล้วก็มีน้ําใจต่อคนทะ้งลาย อ่าเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตก็เป็นมเหสีของพระเจ้าอาโศกไม่ใช่ธรรมาดาบุญแนวเนี้ยมันเราทำได้ตลอดอย่างแม้แต่เราเข้าวัดอะไรอะไรอย่างในสมัยโบราณเนี่ยลอง ด, ดูข้าวไปในวัดก็เอาก่อนดินถือเข้าไปก้อนอไปโยนลงในวัดแล้วตอนกลับมาก็เก็บขยะถือออกมา เป็นเวลา ย, ยาวว่าจะมาช่วยเหลือขวนขวายกันโดยบางครั้งบางคราวเราก็เข้าวัดที่บางแห่งวัดเยอะพระน้อยมันไม่ไหวหรอกเพราะมีเรื่องเยอะนะฮะวันวันเนี่ยจะไปกวาดขยะ ก, กันอยู่ตลอดบังก็ไม่ได้งานอย่างอื่นมันเยอะละงานอย่างอื่นมันสําคัญกว่าเพราะนันถ้าช่วยเหลือขวนขวายกันมันก็เกิดเป็นความสวยงามความเรียบร้อยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสถ า, านะสถ า, านทั้งหลายเนี่ย เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้าคนเรามีน้ำใจกันมันก็ช่วยกันได้ตลดอดเพราะแนบุญแบบนี้เราอาจจะพูดว่าบุญนี้ไม่ไกลใครปัญญาไวาได้บ่อนานรกแฟนแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจครานบ่ผ่านพบบุญพระบุญคือกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วขจัดกิเลสเราอาจจะเป็นผู้ปรกักบการชำระล้างกิเลส แต่ว่าล้างมันไม่หมดรถเดียวแล้วนะเขาเรียกว่าลดละให้จางคลายลงไปลดละบันเทาให้กิเลสมันจางคลายลงไปเห็นแก่ตัวให้น้อยลงเห็นแก่คนอื่นเข้าบ้างออแสดงความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเดินอะไรก็ตามแม้แต่ขับรถเนี่ยนะขับรถมาเคยสังเกตโดยเฉพาะคือว่ามันขึ้นภาษีสานเยอะเดือนเดือนเนี่ย ไปอบรมเด็กเข้าไข้พุทธธรรมพัฒนาจิตก็อลองสังเกตว่าไหนถนนพระโวนงดุสินทางมันเยอะนะทางมันหลายเลนแล้วพวกรถซึ่งมันวิ่งช้าเนี่ยรถใหญ่คือแทนที่จะวิ่งอยู่เลนซ้ายเนี่ยเก็มาอยู่ที่เลนขวาหลแล้วก็ขวางเพื่อนเนี่ย ไอ้รถเร็วมันก็ไปไม่ได้แอดยาวเหยียดเป็นแถวเลยอย่างนึนกว่าเอคนเนี่ยมันก็รู้ตัวเองมันเป็นยังไงบางที่รถพ่วงเลยทําไปนะไปบิ่งขวางเพื่อนไปในทางรถเร็วแลยไม่ใช่จริงเราขับรถเราทําบุญได้คนขับรถเนี่เขาทำบุญได้คืออยู่ในกฎจราจรเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญเพราะชํารา้างเพราะขัดจัด ความเห็นแก่ตัวออกไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวออกไปแล้วก็อยู่ในกฎในเกณฑ์ตร่นั้นโดยเฉพาะขากลับมานี่ขากลับมาจากโคราชนี่ยะคือสังเกตดีบ่อยเออคนก็แปลกเป็นแถวยาวเหยียดเลยแล้วสังเกตว่ามีรถช้าเนี่ยมันอยู่คันหนังขวางเพื่อนอยู่แล้วรถใหญ่คือถ้าแกไปอยู่ในทางของแกได้หน่อย การเดิามันก็ไม่ติดขัดแต่จริงมันก็สูญเสียผลประโยชน์ของแผ่นดินนะแผ่นดินโดยรวมคือ น, น้ำมันรูกเผาไหม้ไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเยเพราะฉะนั้นแนวญญวิยาวิจัยหม่เนี่ยคือกา ร, รขนว่งช่วยเหลือกันในทางที่ชอบตลอดตั้ง่การทาหน้าที่ของราษฎรที่ดีกิจกรรมบางอย่างที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เราพออาสาสมัครพอแบ่งเบาภาระให้แก่แผ่นดินได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานเหล่านั้นคือบางทีเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยต้องถามว่าเราได้ทำอะไรแทนที่เราจะได้อะไรคือถ้ามองในแง่าได้เกินไปเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นไม่ได้เราเพราะได้เนี่ยมันเป็นโลภ แต่ถ้าเรามองว่าเราได้ทําอะไรเนี่ยคําทําอะไรเนี่ยมันเป็นวิริยะคือความเพียรแล้วถ้าป่อยไปทํากับคนเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวน้ยเราก็เห็นแก่คนอื่นี่แทนที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทําให้สังคมมันก็น่าอยู่น่าอาศัยขึน้นเพรา ะ, ะบุญในแนวเนี้ยที่จริงในบ้านเนี่ยก็ทําได้เห็นไหมแม่ทําอาหารลูกก็ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ สามีก็ช่วยแบ่งเบาภาระของพันดาสามีทำงานพ่อทำงานลูกก็ช่วยแบ่งเบาลูกทำงานพี่น้องก็ช่วยกันแบ่งเบาหรือพ่อช่วยแบ่งเบาอะไรต่าีๆมันไม่มีอะไรยากหรอกมนุษย์เนี่ยถ้ารวมแรงรบใจกันแต่ปัญหาที่ยากก็คือว่ามันแสดงความเห็นเกตตัวอย่างเนี้อย่างอย่างในวงบําเพ็ญกุศลสาธารณะนี่ลองสังเกต เจ้าหนาทหารก็ดีตหรวจก็ดีไปอาสาสมัครช่วยพัฒนาช่วยหลอกขัตบชวาช่วยอะไรอะไรเนี่ยผู้ที่แต่งตัวก็ยืนมือไา่หลังนี่จะเยอะเลยนะแล้วก็รอให้เน้ น, น, น, นเนี่ยไปผลทหารเ น, เนี่ยไปทำถามถามาทำด้วยไม่ได้เลยมันจะแปลกอะไรขึ้นไหมาืนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเป็นราชาคณะชั้นยิรัญญบัตนะชั้นรองสมเด็จพระราชคาณะ เวลากวาดขยะเวลาทําความสะอาดวัดเวลาถูพืชเนี่ยทําะไรทําด้วยกันพระเนนทําก็ทําด้วยกันแนวตัวนี้เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทเจ้าคือพระสมัยโบราณเนี่ยเวลาเย็บจีวรเนี่ยต้องช่วยกันเย็บช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันย้อมอะไรต่างๆเนยเ็บจีวรของพระรูปเดียวตันเด้งพระเจ้าเขงลงมาตัดมาเย็บมาย้อมให้ด้วยลงมาทํางานด้วยกัน ทำงานร่วมกันทำงานด้วยกันเพราะว่ามันเกิดบุญแล้วก็โดยเฉพ่อยยิ่งคือแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งกันเดียวกันความสมานสามัคคีกันสังคมเราเมื่อก่อนนั้นเป็นสังคมที่อบอุ่นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องที่เราเรียกว่าพาราภาพคือมันรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องมีความผูกพัน แล้วก็จะช่วยเหลือคือกุญันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเชื่อในเรื่องบุญกุศลในลักษณะอย่างนี้พระธรรมเทศนาเป็นนันมากเนี่ยพระธรรมเทศนาเป็นนันมากเวลาพระเทศพระสอนก็จะมองไปในแง่ระดับสังคมจะทำยังไงว่าสังคมจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรอยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่เทศมากนะที่เทศกันมากในต่างจังหวัดในแนวเรื่องประเวศชนดอนเรื่องมหาชาติเรื่องที่เกี่ยว ก, กับการก่อสร้างเรื่องอะไรต่อะไรกุศลสาธารณะทั้งหลายในส่วนมากก็จะเทศเรื่องมัฆมนบทมัฆมนบทนั้นแสดงชัดเจนนะฮะแนวเวยาว่าจะใหม่คือช่วยเหลือกันในกิจการงานที่ชอบก็บำเพ็ญกุศลสาธารณะนั่นแหละ เห็นตอนเช้าๆเป็นคนไปยืนพักผ่อนหรือทำที่ต่างๆบางทีก็ยากากรกมันมากกลัวอันตรายจากงูท่านก็ไปถางหญ้าบริเวณตรงนั้นเพื่อคนยืนได้สบายมีคนอื่นไปเห็นเข้าสอบถามเกิดอพอใจก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยก็เข้าไปอาสาสมัครทำไปต่อมามีคนทั้งสามสิบสามคน แล้วก็บาเพ็ญกุศลสาธารณะไปจะกนั้นมาก็ขุดเป็นถนนทําถนนเพื่อคนเดินคนเดินไปแล้วมันก็เหนื่อยบนเส้นทางถนนต้องการพักผ่อนก็สร้างศาลาให้ทีนี้พัญญาของท่านมาขัามนบเนี่ยเ็นสาเมรรมก็เกิดสนใจเกิดพอใจนางสุธามาก็ไปสร้างโชฟ้าเพื่อติดที่ ศาลานะสุดนันธาสุจิตาคนหนึ่งก็สร้างสระเพื่อให้คนได้พักผ่อนได้อาบน้ําได้ดื่มน้าคนหนึ่งก็สร้างสวนเพื่อคนได้พักผ่อนหยอดใจเห็นไหมแนวตัวเนี้ที่จริงเป็นแนวกุศลสาธารนณะเป็นวิยาวัจจะใหม่นะช่วยเหลือควรขวัญในกิจการงานที่ชอบหรือบางครั้งถ้าทาเองมันก็ดีไปแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ทําไม่ได้ ทำให้ไก็ช่วยช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นถามว่าปัจจุบั น, นมีไมมที่จริงก็มีเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันมีคนไม่ดีเข้าไปสอดแทรกเช่นยกตัวอย่างสาธารณภัยทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากน้ำท่วมพายุยไฟไหม้อะไรต่อไปสาธารณภัยเนี่ย แล้วก็มีการช่วยเหลือควนขวากันในกิจการงานเหล่านี้กันมากแต่เพิ่มมีตัวเบียดแทรกอยู่ในที่นั้นเช่นไฟไม้เนี่ยฮะพวกช่วยก็มีพวกไทยมุงกม็มีพวกขวัดขวางการทํางานก็มีแล้วพวกก็แอบไปฉกฉวยแสวงหาผลประโยชน์ก็มีคือไปซ้ําเติมคนที่มีปัญหามนความเรื้อรังเพราะแนวการช่วยเหลือควงขวายในกิจการงานที่ชอบเนี่ย พื้นฐานนี่คือต้องรักมนุษย์เรียกรักมนุษยชาติมองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรแล้วก็เห็นคุณค่าของการกระทําเสร็จกันมันเป็นการเสริมคุณค่าให้แก่เรานะคือเขานี่ได้เล็กน้อยนะแต่ไว้สมมติว่ามีคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าผู้หญิงขิวของมันหนักเราก็ช่วยอขิวเขา ก็จบละเขาก็เบาแรงลงไปนิดหน่อยแต่ว่าเรานี่ได้บุญคือได้คุณภาพจิตแต่สิ่งนี้มันติดจิตนะคือของที่เราช่วยเขาเนี่ยมันก็ติดโลกแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันติดจิตมันเป็นคุณภาพพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นแนวตรงนี้เป็นแนวของสังคม ที่จะต้องเอื้อเฟือ้เอเผื่อแผ่ดูแลรักษาซึ่งกันและกันงานมันจะใหญ่จะเล็กเนี่ยไม่ที่จริงมันไม่สำคัญนะอย่างเรื่องราวของบางเรจันของอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคนที่มีความความทนหนัดในทางไหนเขาก็ทำในทางนั้นแล้วก็กลายเป็นความช่วยเหลือกันแล้วตอ น, น, นมาบวชใหม่ๆปีแรกกันนะก็ไปอยู่วัดซึ่งเราไม่รู้จักใคร แต่เขาเห็นว่าญาติโดมเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกันเขาก็กเมตตาสงสารเราเลยก็ชวนเขาอาสาพัฒนานมีสร้างถนนมีขุดคลองลอกคลอง่ะคลองมาตื้นเขื่ก็ลอกคลองพวกผู้ชายก็มีอะไรก็มาช่วยกันขุดช่วยกันทำพวกผู้หญิงก็มาช่วยเลี้ยงอาหารไม่ต้องจ่ายสตางค์เลยสักบาทยายองไมาช่วยกันเองหมดแล้วคลองก็ลอก คนเป็นแถวนะฮะคนเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นร้อยๆนะฮะเรียงเป็นแถวยืนรับผิดชอบเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนเส่วนเป็นภาพที่ประทับใจมาทั้งสี่สิบกว่าปีแล้วบอกเนี้ยที่จริงมนุษย์เนี่ยถ้าเสียสลับประโยชน์สุขของตัวเองสมมุติว่าเดือนหนึ่งสักวันหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งเอาสักหครั้งอะไรเนี่ยเดียวว่าสองเดือนต่อครั้งหรือว่าเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยช่วยกับเพนกุศลสาธารนณะแล้วก็ร่วมกันสังสรรค์ร่วมกิจกรรมกันเนี่ย มันได้รู้จักได้สนิทสนมคุ้นเคยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนี่ยบริเวณหมู่บ้านบริเวณวัดบริเวณอะไรต่างๆมันเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เสร็จแล้วมันก็รู้สาระทุกสุขดิบของกันและกันามีปัญหาไดก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยก็จะแบ่งเบาจะช่วยเหลือกันเพราะนั้นถ้าเรามองแนววัดต่างจังหวัด ต่างจังหวัดก็คงไม่ใช่ทุกวัดวนะนะฮะแต่บางวัดถ้าเราจะมีกิจกรรมร่วมกันเช่นว่ามีการกวาดขยะก็กวาดด้วยกันมีพระองค์นหนึ่งมากวาดขยะองค์นึงก็ลงมาช่วยองค์นึงองคงมาช่วยนะเสร็จแล้วก็กวาดกันวัดมันก็สะอาดสะอาดแล้วก็ทพะปะได้คุยกันเพราะตอนทําวัดเนี่ยจริงๆไม่ได้คุยกันนะพระเนี่ยคือตั้งกดนั่งข้าบวช้านหล้างให้กัน อ น, อ, นอันหน้าให้พระปฏิมาเพราะถ้าคุยเนี่ยมันก็ต้องทำงานอะไรยันใดอย่างหนึง่งก็เจอก็คุยกันทักทายปราศัยสอบถามอะไรตอะไรความเป็นอยู่เนี่ยทั้งโครงสร้างเหล่านี้เรายอดส่วนเล็กที่สุดก็คือคนสองคนขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในครอบครัวภายในองค์กรต่างๆทำอย่างไงว่าให้แสดงความมีน้าใจต่อกันเราอาจจะ ไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าอย่าสร้างปัญหาจนยกตัวอย่างว่าการไม่ทิ้งขยะลงบนถนนเนี่ยมันก็เป็นบุญละเพราะถ้าเราทิ้งเยนมากๆเนี่ยคนกวาดขยะ ก, ก็สู้ไม่ไหวเราก็รับไปชอบคือนำไปทิ้งในถังขยะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ทา ง, งานหนักเกินไปก็อยู่ในวิสัยที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดได้ ในบุ ญ, บญกุศลในลักษณะนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมแล้วก็ชดเชย อ, อารมณ์ให้มีความแจ่มใสยอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องทุกฟังทั้งหลายแต่รมโพทิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงครับมีที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปมูลในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี